คนเราก็าจะมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินทางการเดินทางเนี่ยมันต้องมีจุดหมายการเดินทางต้องมีจุดหมายปลายทางใครที่เดินทางโดยที่ไม่มีจุดหมายของชีวิตเนี่ยมันก็ง่ายที่จะเดินหลงทางหรือว่าใอ้ชีวิตอย่างไม่มีแก่นสารเรียกว่าต้องลอยไปตามยะถา ก, กรรมเหมือนกับสวะที่ลอย ไปยังแม่น้ำในการกําหนดจุดหมายชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าชีวิตกับการเดินทางเนี่ยมันมีความแตกต่างอีกอย่างนึงในการเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางจุดหมายกับปลายทางเป็นเรื่องเดียวกันเป็นอันเดียวกันแต่สําหรับชีวิตเนี่ยจุดหมายกับปลายทางมันไม่เหมือนกันนะจุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตนี่ จะเรียกว่าคนลเรื่องก็ว่าได้จุดหมายชีวิตเนี่ยมันก็คือภาพฝันที่เราอยากจะไปให้ถึงแล้วเราต้องดินน้นรนใช้ความเพียรจึงจะไปถึงจุดหมายชีวิตได้ไม่ว่าจุดหมายนั้นจะหมายถึงความสำเร็จในการงานความมั่งมีร่ารวยมียศศักดิ์อัครมียศศักดิ์อัครฐานหรือว่าการบรรลุธรรม ก็แล้วแต่ใครใครก็อยากจะไปถึงจุดหมายชีวิตแต่ปลายทางชีวิตนี่ไม่ค่อยมีอยากไม่ไม่คยมีใครอยากจะให้ถึงนะปลายทางชีวิตทุกคนเนี่ยต้องถึงอย่างแน่นอนขณะที่จุดหมายชีวิตเนี่ยบ้างก็ถึงบ้างก็ไม่ถึงใครใครอยากจะให้ถึงจุดหมายชีวิตแต่ไม่มีใครหรือน้อยคนมากนะที่อยากจะมาเจอปลายทางชีวิตปลายทางชีวิตคืออะไรก็คือความตาย อย่างที่เราพิจารณาสังขารเมื่อสักครู่เนี่ยความตายในยเป็นที่สุดรอบชีวิตทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบ ก, ก็คือชี่ิทั้งหลายมีความตายเป็นปลายทางจุดหมายนี่มันต้องใช้ความเพียร น, นะจึงจะถึงแต่ปลายทางชีวิตเนี่ยไม่ต้องใช้ความเพียรอย่างไงก็มาได้อันนี้คือความจริงของชีวิตนะที่เราต้องระลึกอยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปสนใจแต่เรื่องของจุดหมายชีวิต สิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยก็คือการพยายามบรรลุถึงจุดหมายชีวิตเรียนหนังสือก็ต้องทำให้ได้คะแนนดีๆจะได้สอบเข้าหมายเทลายาที่มีชื่อเสียงหรือเข้าคณะเพื่อทำให้มีโอกาสหางานหรือว่าทำเงินได้หลายคนคิดแบบนั้นเพราะว่าความสำเร็จนะในการงานรวมทั้งการมีครอบครัว ที่ท้าสุขคือจุดหมายชีวิตองค์นหลายคนแต่น้อยคนนะที่จะคิดถึงเรื่องปลายทางชีวิตทั้งนั้นที่มันต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแต่เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่จะถึงที่ถึงแต่เรื่องการบรรลุจุดหมายของชีวิตแล้วก็ไม่สนใจว่าสักวันหนึ่งชีวิตมันจะมาถึงปลายทางแล้วพอ วันนั้นมาถึงวันที่ชีวิตเนี่ยมันมาถึงที่สุดของเส้นทางก็เลยทุกทรมานทุรนทุรายกระสับกระสายสุดท้ายก็ตายไม่ดีจบไม่สวยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโศงนาตก ร, รรมนะของผู้คนเป็นนั้นมากาเราจําเป็นนะที่จะต้องใส่ใจทั้งจุดหมายชีวิตและปลายทางชีวิตอย่าไปคิดว่า เรายังเป็นหมุมเป็นสาไปให้ถึงจุดหมายก่อนนะแล้วปลายทางชีวิตค่อยว่ากันอันนี้เป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะเราจะแน่ใจได้ไงว่าเราจะถึงจุดหมายชีวิตก่อนที่จะถึงปลายทางชีวิตหลายคนเนี่ยชีวิตมันสิ้นสุดนะก่อนที่จะไปถึงจุดหมายไอ้ที่เรียนมานะส0บยปีสะสมเงินทองหรือว่า พยายามที่ลนหางานที่มั่นคงแต่ปรากฏว่าไม่ทันจะถึงจุดหมายชี่อที่ต้องการก็ตายเสียก่อนได้สิ่งที่ภาคเพียรเรียนมารวมทั้งสิ่งที่สะสมมาอย่างเนยยกช่วยอะไรไม่ได้เลยนะในการที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมเมื่อความตายมาถึงเมื่อชิดมาถึงที่สุด น, นั้นที่พากเขาประมาทประมาทว่าอีกนานนะกว่า ปลายทางชีวิตจะมาถึงหรือบางทีก็ประมาณว่าไม่ยากหรอกถึงตอนนั้นค่อยว่ากันก็แล้วกันตอนนี้ฉันขอมีความสุขขอใช้ชีวิตเต็มร้อยก่อนคิดแบบนี้ก็มีนะขอใช้ชีวิตเต็มร้อยก่อนเอาไว้เมื่อแก่แล้วค่อยไปเตรียมตัวตายแล้วกันหรือว่าเมื่อถึงวันนั้นนะก็ค่อยนะเตรียมตัวก็แล้วกันเรียกว่าไปตายดับหน้า มีนักเขียนคนหนึ่งนะเป็นชาวอเมริกันแกเป็นคนนิวยอร์กเป็นนักเขียนตลกแล้วก็ชอบประชดประชันไม่รู้แกพูดจริงร ก, นะรก็่อนนะเมื่อแกเขียนว่าความตายไม่ยากหรอกหาที่จอดรถในนิวยอร์กยากกว่าเยอะเลยอันนี้อาจจะพูดประชดก็ได้ประชดคนทั่วไปจะคิดว่าไอ้เรื่องความตายนี่มันไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกถึงเวลาก็ไปว่ากันแต่ตอนนี้ทําไงจะหาที่จอดรถให้ได้ แต่จะว่าไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็ ค, คือคิดว่าความตายนี่ยเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกคิดไปแล้วอับประมงคนเปล่าๆแล้วก็เลยไม่ได้กระตือรือร้อนที่จะเตรียมตัวแต่สำหรับชาวพุทธเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวด้วยเหตุ น, นี้พู้เจ้าเนี่ยจึงจัดเป็นปัจฉิมโอวาหรือปัจฉิมวาจาคนเราเนี่ยเมื่อจะเมื่อจะตายเนี่ยและถึงจถึงเวลาต้องสั่งเสียเนี่ย เรจะพูดในเรื่องที่สําคัญและพระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเลือกเลือกที่จะพูดหรือสั่งเสียนะด้วยการเตือนให้เราไม่ประมาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดหรือว่าบางทีก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยช์ให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาทเถิดพรงสั่งเสียหรือว่าแสดงปาฏิมกขวาจาเนี่ยเพียงแค่2ประโยคน์นเทียบกับ ปฐมเทศนาแล้วนี่ต่างกันเยอะนะปฐมเทศนานี่ยาวเป็นเจ็ดหน้าเลยแต่ว่าปชิ ม, มาวาจายนี่แค่สองบรรทัดแต่ก็เป็นสองบรรทัดที่สําคัญมากนะที่เราควรจะตระหนักสังขารไม่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็หมายถึงว่าต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายตายแน่ๆแล้วประเนนี้เนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างไม่ประมาทหมายความว่าพยายามใช้ ทุกเวลาและนาทีเชี่งมีลมหายใจเพื่อทําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่าปล่อยให้มันเปล่าเปล่าเลยไปโดยไร้ประโยชน์หรื อ, อย่อไปเป็นผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การระลึกถึงความตายเนี่ยที่เรียกว่ามรณาสติหรือมรา น, านันุสติเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าเนี่ยส่งส่งเสริมและเน้นย้ําในบรรดาอนุสติสิบประการ อนุสติในชีวิหมายคือการระ ล, ลึกนึกถึงเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยก็มีมรณน า, นาสติหรือมรอ น, า น, านุสเติเนี่เป็นข้อ่ข้อที่เหลือก็เช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างที่เราได้ตรวจเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการน้อมใจให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์เพื่อเพิ่ม บ, บูชาทานในพระตนัตใจรวมทั้งการระ ล, ลึกถึงความดีที่ได้ทําเรียกว่าศีลานุสติระลึกถึงความเสียสระ ความเอื้อเฟื้อที่เทวดากขาดสติเราเลือกถึงเชวดาเรียกว่าเชวดาขาดสติคนที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ที่มองข้ามไม่ได้คือมรณะสติทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรในการทําความดีในการสร้างบุญสร้างกุศลรวมทั้งหลีกเราเป็นความชั่วความตายมันเป็นเรื่องอนาคตกรจร์นะแต่ว่าการนึกถึงก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายกต่มีประโยชน์ ถามว่ามันกระตุ้นให้เราเนี่ยหมั่นทําความเพียรอย่างที่มีพุทธภาษิทซึ่งเราก็ได้ศาธยาายกันหลายครั้งความเพียรไปกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้อันนี้คือการเตือนให้เราลึกถึงความตายเพื่อที่เราจะได้หมั่นทําความเพียรให้ช่วของเราเป็นชื่อที่มีค่ามีประโยชน์นะเรียว่าคุ้มค่ากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ว่า เราจะมองแต่เพียงเท่า น, นั้นก็ไม่พอนะเราควรจะเลิกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัวตายด้วยการใช้ชีวิตให้มีค่ า, า ก, กาับการเตรียมตัวตายหรือการเตรียมตัวให้ตายดีเนี่ยอันนี้มันสำคัญทั้งสองอย่างนะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันสัมพันธ์กันมากถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าก็คือทาความดี ทรบุญสร้างบุญส่วรวมทั้งทำหน้าที่ต่อคนที่เรารักหรือมีความสำคัญต่อเราเช่นพ่อแม่ลูกหลานญาติรวมทั้งส่วนรวมมันก็ทำให้การตายของเราเนี่ยเป็นการตายที่ดีได้คือเวลาจะตายแล้วเนี่ยนึกถึงความดีที่เราได้ทำรู้สึกภาคภูมิใจกับชีวิตที่ผ่านมาไม่เสียดายนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ เ, เสียดายที่เกิดมาเป็นชาวพุทธมันก็ทำให้เราพร้อมจะตายได้หลายคนไม่พร้อมตายเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามันเป็นชีวิตที่ยแย่แต่ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ก็ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เถือเป็นเรื่องใหญ่นะแต่พอจะตายเนี่ยย้อนมองชีวิตที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่ควรภาคภูมิใจเลยคนเหล่านี้เนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยก็จะจะพยายามต่อสู้ฝืนความตาย เพื่อเขาเขาอยากได้โอกาสที่จะไปแก้ตัวหลายคนที่ไม่อยากตายยังไม่พร้อมตายไม่ใช่เพราะาเขากลัวตายโดยตรงนะแต่เป็นเพราะว่าเขาสือว่าเขาอยากจะมีโอกาสแก้ตัวเพื่อทำความดีรวมทั้งให้เวลาใส่ใจคนรักเนั้นถ้าเกิว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าควรกับการภาคภูมิใจเราก็พร้อมที่จะตายได้ได้มากขึ้น หรือว่าทำให้การตายของเราเป็นการตายที่ดีได้และขณะเดียวกันคนที่หนักว่าในเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายดีให้ได้ไอความคิดแบบนี้แหละความตั้งใจแบบนี้แหละก็จะไปทำให้เราพยายามใช้ชีวิตมีคุณค่าเพราะว่าถ้าเราชืวองเราไม่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ตายไม่ดีการที่เราหนักถึงความสำทับการตายดีมันทำให้เราไม่เพียงแต่ทาความดี ใช้ช่วยมีคุณค่าเท่านั้นนะแต่ไ ม, ม่มีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้ตายดีก็คือการรู้จักปล่อยวางปล่อยวางพอเชเราอย่างไปยึดติในลูกในพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งการงานมันก็ตายดีได้ยากมีตัวอย่างมากมายคนที่ตายไม่ดีเพราะว่าห่วงลูกหรือว่าห่วงทรัพย์สมบัติ บางคนป่วยหนักเนี่นะจะตายอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะนึกถึงบุญกุศลหรือหรือะลถึงพระตัตนกายนะดันกลับไปทวงเงินเพื่อนบ้านที่เคยยืมเงินไว้ไม่คืนตัวเนี่นะอยู่โรงพยาบาล น, นะแต่เพื่อนบ้านเห็นเนี่ยคนป่วยเนี่ยมาทวงเงินรีบนะรีบมาหาที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็มาบอกว่าจะจะคืนเงินให้อีกรายนึงอมาม่าเนี่ยป่วยหนัก อาม่านี่เป็นคนที่รักหลานมากทุกเย็นเนี่ยเวลากินอาหารก็จะคอยจําตีจําชัยหลานให้กินอาหารให้กินเยอะๆตามภาษาคุนจีนตอนที่ตัวป่วยโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่า้เด็กเนี่ยหลานเนี่ยขณะที่กำลังกินอาหารอยู่กับพ่อแม่ก็เห็นอาหม่านี่มามาจําตีจําชัยเหมือนเคยถึงกับพูด นะกับอาม่าว่าพอแล้วอิ่มแล้วคนในวงค้าวยังงงเลยนะพ่อแม่ก็งงเด็กเพื่อใครเพราะมัไม่มีใครอยู่เลยนะอกจากพ่อแม่ลูกแต่เด็กเนี่ยเห็นอาม่าเนี่ยมาม า, มาจําจีจําชัยถ้าว่าอาม่านี่ตายเนี่ยตอนนั้นนี่คงตายไม่ดีนะเพราะว่าความห่วงหรือว่าคุณยายคนนั้นเนี่ยถ้าถ้าตายคงตายไม่ดีนะเราะยังห่วงซับนะอุตส่าห์ไปทวงเงินเขา ปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะของที่ที่รักหรือให้ความสุขกับเราแต่รวมถึงการปล่อยวางสิ่งที่ไม่รักที่ทำความทุกข์ให้กับเราเช่นความโกรธความพยาบาทความรู้สึกผิดในสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คอยทิ่มแทงรบกวนจิตใจคนที่ใกล้กายจำนวนมากทำให้ตายไม่สงบก่อนตายก็ทุรนทุรายบางทีตาเบิกค้าง บางทีก็มีการกระสับกระส่ายบางทีก็โคมาเลยนะน้ำตาไหลเวลามีใครบางคนมาเยี่ยมเพรารู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ทำตามที่สัญญาแห่งการแล้วก็อย่างที่บอกนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยบางครั้งมันปล่อยวางยากกว่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนรัก พ่อแม่สิล้วคนที่ก็าตระหนักว่าการตายดีเป็นสิ่งจำเป็นเขาก็จะเห็นความสำคัญนะของการฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ใช่มารอปล่อยวางแล้ตอนจะตายซึ่งมักจะไม่ได้ผลเพราะว่าคนเราเวลาใกล้าตายเนี่ยแม้กำลังวังชาจะอ่อนเราโหยแต่กิเลสและนิสัยเดิมๆจะรุนแรงมากกว่าเดิมสมา เจอมาเยอะแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยมันไม่มีเรื่องไม่มีแรงแล้วแต่ว่านี้นิสยัยหรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือสันดาลเนี่ยถ้าเรียกภาษาผู้คือกิเลสเนี่ยมันจะมีกำลังยิ่งกว่าเดิมมันจะ อ, อารวัสหนักกว่าเดิมไอตอนที่ยังปกติธรรมดายัยงพอควบคุมกิเลสได้พอควบคุมสันดาลได้แต่พอจะตายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะ ิเลสหรือว่านิสัยสันดานเดิมๆมันจะออกมาอย่างรุนแรงแขไงแที่ยึดติดถือมา่นเป็นคนเจ้าอารมณ์พวกนี้เนี่ยอาการมันจะออกมามากตอนจะ ต, ตายแขไขแกร่งอ่คิดว่าเออถึงเวลาใกล้าตายค่อยไปค่อยไปเตรียมพร้อมค่อยไปเตรียมตัวให้ตายดีหรือว่าเตรียมจองเตรียมนิมนต์พร ะ, ะเพื่อมาน้มนำจิต ใหไปดีอันนี้ยากนะยากใจมันไปไม่ใจมันใจมันไม่นึกมันนึกไม่ถึงมันมันไม่ยอมไปคนที่หวงหรือเป็นคนที่งบเงินเนี่ยจะให้นึกถึงทำ ม, มากมันไม่ยอมนึกเลยเพราะว่ากิเลสหรือว่าความหลงเนี่ยมันคลองใจอย่างแน่นหนามีคุณยายคนหนึ่งนะเป็นอัลไซเมอร์จะลืมลูกลืม ลืมลูกลืมหลานหมดแล้วแต่วันวันึงแกไม่ได้ทำอะไรอ่ะนั่งแต่นับเงินนั่งแต่คอยดูบัญชีนะที่แกให้คนอื่นยืมเงินไปจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็ลืมทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ไม่ลืมเรื่องเงินทุกวันก็มาเปิดดูส ม, มุดบัญชีรู้เรื่องนะแต่อย่างอื่นไม่รู้เรื่องเนะี่จะพูดธรรมะนะจะให้ฟังทำก็ไม่เอา อย่างนี้จะตายดีได้อย่างไรแม่จะไปรอจะไปนึมนพระที่เป็นพระอาจารย์เจ้าที่มีคุณวิเศษมันนำทางก็คงจะยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสาคัญการตายดีเนี่ยมันต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ไม่เพียงแต่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลยพยายามอ่างกายจากความชั่วแต่ต้องฝึกการปล่อยวางด้วย การปฏิบัติธรรมอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการเพื่อให้เราปล่อยวางที่จิการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเริ่มแต่ทานสีโพนานก็เพื่อการปล่อยวางทั้งทั้งสิ้นการให้ทานก็เพื่อการปล่อยวางแต่ว่าหลายคนให้ทานไม่เป็นยิ่งให้ก็ยิ่งยึดหรือว่าให้ด้วยความโลภบริจาคเสร็อยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านอันเนี้ยมันก็ยิ่งยึดติดมากขึ้นหลายคนทําบุญแล้วยิ่งติดก็ยิ่งยึดติด แต่ถ้าทําบุญเป็นนะจิตยิ่งปล่อยวางทาเพื่อละไม่ใช่ทําเพื่อเอาศีลก็เหมือนกันนะปฏิบัติเพื่อจะละไม่ใช่เพื่อเพื่อเอาเอาในที่นี้อาจจะไม่ใช่เอาเงินแต่ว่าเอาคำสรรเสริญเยินยออยากจะให้เขาชมอยากจะเติมแต่งภาพลักษณ์ให้มันดูสวยงามอันนี้ก็เป็นกิเลสนะภาวนาก็เหมือนกันถ้าภาวนาเพื่อจะเอาแม้จะเป็นการเอาความสงบ หรือว่าเอาบุญนะ่มันก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เรารู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราทำถ้าเราภาวนาเป็นเนี่ยนะมันละความคิดเกิดขึ้นก็วางนะไม่ตามความคิดไปมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นรู้แล้วก็วางแม้แต่ความสงบเกิดขึ้นก็วางไม่ติดนะไม่ยึดไม่หวงแหนถึงเวลา ความสงบมันจางคลายไปก็ไม่เสียดายเวลาไม่ีใครมาดา่ามีใครมาต่อว่าก็วางมาลงได้เวลามีทุกขเวทนาความเจ็บค ว, วความปวดก็วางมาลงได้ส่วนใหญ่ไม่ได้วางอนะไปยึดอันนี้ความปวก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่แม้มันจะทําให้เราเกิดทุกขเวทนาแต่เราก็กลับหวงแหนมันเมื่อเช้าก็พูดไปแล้วนะว่าเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี่ยพูดไปแล้วนะว่าความหลงเนี่ยเมื่อเป็นคล้องใจาาลงเมื่อไหรเนี่ยมันจะสั่งเราให้ คอยปกปักรักษามันเอาไว้เป็นองค์รักพิทักษ์ความเศร้าความโกรธคอยหวงคอยแหนนะสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแต่ถ้าเราหมั่นจรสตินะเราก็จะเรียนรู้การปล่อยการวางได้การภาวนานมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบเด็น แต่ก็ยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เราสามารถจะตายดีได้อันนี้เป็นวิชาหนึ่งนะที่เราต้องใส่ใจวิชาเตรียมตัวตายเป็นหนึ่งในบรรดาวิชาชีวิตนะที่จะมองข้ามไม่ได้กเรียนวิชาทางโรคหรือวิชาชีพก็ดีอยู่นะแต่วิชาชีพส่วนใหญ่มันไม่ช่วยทําให้เราเนี่ยพร้อมจะตายอย่างสงบหรือตายดีได้เลย บางครั้งก็จะเป็นตัวหวงเหนียวได้ซ้ําแล้วก็อย่างที่บอกนะวิชาชีพเนี่ยเรียนไปแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ได้ทําอาชีพการงานที่ตรงกับวิชาที่เรียนหรือว่าไอ้วิชาความรู้ที่เรียนมามันล้าสมัยเพราะโลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่วิชาชีวิตเลยว่าวิชาเตรียมตัวตายเนี่ยได้ใช้แน่แต่ก็แปลกนะไม่ค่อยมีการสอนเท่าไหร่หมายเท่าไหร่ก็ไม่สอนโรงเรียนก็ยิ่งแล้วใหญ่ ทั้งทงที่เราต้องเจอต้องใช้อันนี้ก็แสเห็นว่าคนเราไปสนใจในเรื่องจุดหมายชีวิตมากเกินไปจนลืมเรื่องปลายทางชีวิตคนที่ฉลาดเขาจะไม่ประมาทเขารู้ว่าจุดหมายชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรถึงแต่ปลายทางชีวิตก็ไม่ควรประมาทต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแต่ว่าไปความตายเนี่ยมันก็คือการสอบไล่ครั้งสุดท้ายของวิชาชีวิต วิชาทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการสอบวิชาชีพเราก็สอบอยู่เป็นประจำสอบกลางเทอมสอบปลายภาคแล้วเราก็สอบเยอะมากสอบสมัครงานนะวิชาชีวิตก็เช่นเดียวกันนะเราต้องสอบและสอบเป็นการสอบร้ายจริงๆนะคือถ้าสอบไม่ได้ก็ตกคำว่าตกคือตกจริงๆนะคือตกอบายไอ้วิชาชีพวิชาในโรงเรียนเนี่ยหรือ การสอบทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาสอบตกมันไม่ได้ตกจริงนะแค่ซ้ำชั้นแถมแก้ตัวได้ด้วยคือสอบซ่อมสอบเอนชั่าไม่ได้ก็สอบใหม่สอบสมัครงานไม่ได้ก็สอบใหม่บางคนสอบในสอบมาสิบปีแล้วก็ยังสอบได้ยังสอบอยู่เรื่อยๆพระหลายรูปสอบประโยคกล้ามายี่สิบปีแล้วก็ยังก็ยังสอบแต่ว่าไอวิชาชีวิตเนี่ย สอบไล่เนี่ยถ้าไม่ได้นี่ก็ตกจริงๆและแก้ตัวไม่ได้ไม่มีการสอบซ่อมแค่ที่มันคือว่าการสอบอวิชาชีวิตเนี่ยสอบไล่ น, นะมันไม่มีการประกาศล่วงหน้าวิชาทางโลกหรือวิชาชีพที่เราเรียนในหมายเทลัยในโรงเรียนมันประกาศล่วงหน้าเบางทีเป็นปีเลาให้เรามีโอกาสเตรียมตัวสามารถจะวางแผนได้ เอาไวไ้ค่อยเช่น อ, อีกหนึ่งเดือนก่อนสอบค่อยๆเตรียมตัวแล้วกันตอนนี้ก็เชื่อไปก่อนทำโนวนทํานี่ไปก่อนอีกหนึ่งเดือนก่อนสอบค่อยเตรียมตัวแต่วิชาชีวิตเนี่ยสอบไวิชาชีวินนี้มันไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพราะฉะนั้นต้องพร้อมตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เอาไว้กว่าจะสอบคงอีกสามสิบสี่ิปีหรือ50ปีนี่ประมาทมาก มันมีภาสิที่แบบบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอย่าไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้าสําหรับบางคนอย่างเนี้ยวันนี้ยคนไทยประมาณพันหร้อยคนวันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยพันหร้อยคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหนึ่งในพันหกร้อยหรือเปล่าประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ไม่ประมาทนะถ้าเตรียมพร้อมอย่เสมอและถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังถ้าปลายทางชีวิตมาถึงวันนี้วันพรุ่งเนี่ยพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่เผชิญกับมันด้วยใจสงบแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรมียังมียังสามารถเตรียมตัวได้เสียแต่วันนี้เสียแต่นาทีนี้น ะ, ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้ย้ำเตือนตัวเองนะ ถึงปัจฉิมวจอาจารย์พุทธเจ้าที่เราได้สาธยายไปสักครู่เนี่ยรวมทั้งบทพิจารณาสังขารที่เราได้สาธยายตามมาสองบทที่สําคัญมากที่มักระตุ้นเตือนเราไม่ประมาทกับชีวิตเห็นความสาําคัญการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าด้วยการทําความดีและขณะเดียวกันก็เห็นความสาําคัญการเตรียมตัวเพื่อตายดีด้วยคำอิทธิเผื่อเท่านี้